ปฏิจกจกปฏิจจสมุปาทิอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ที่เป็นธรรมะ ชันลึกนิดหนึ่งนะที่ผู้เจ้าไม่ให้มองว่ามีมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะ <c oughs> จะมีคนถามพระพุทธเจ้านะว่าใครเป็นคนยึดใครเป็นคนอยากใครเป็นคนสัมผัสรับรู้อะไรผู้เจ้าบอกไม่มีหมดเลยนะ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 จนกระทั่งถึงเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมณตุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชรามรณะเป็นอย่างไรหนอ และชะลามรณะนี้เป็นของใครพระเจ้าข้าเขาไม่รู้จักชะลามรณะและเขาสงสัยว่าแก่และตายนี้มันเป็นของใคร <c oughs> <c oughs> รัตถาโคตบอกว่านั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยดูก่อนภิกษุบุคคลใดจะพึงกล่าวเช่นนี้ว่าชะลามรณะเป็นอย่างไร และชรามรณะนี้เป็นของใครดังนี้ก็ดีหรือว่าบุคคลใดจะพึงกล่าวเช่นนี้ว่าชรามรณะเป็นอย่างอื่นและชรามรณะนี้เป็นของผู้อื่นดังนี้ก็ดีคํากล่าวของบุคคลทั้งสองนั้นมีอัตถะคือความหมายเนี่ยอย่างเดียวกันต่างกันเพียงพยัญชนะเท่านั้น ดูก่อนภิกษุเมื่อทิฏฐิว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นดังนี้ก็ดีมีอยู่การอยู่อย่างประพฤติปรมาจันก็ไม่มีหรือว่าเมื่อทิฏฐิว่าชีวิตก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นดังนี้ก็ดีมีอยู่การอยู่อย่างประพฤติปรมาจันก็ไม่มีดูก่อนภ uhm, <reb AS> <III> ิกษุ <caves não S 1> <Stat> <coloured> <top> ตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นคือตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีดังนี้แล้วเขาก็ถามต่อว่าแล้วชาติเป็นอย่างไรชาตินี้เป็นของใครนะการเกิดเป็นของใครนะพระองค์ก็ตรัสอย่างเดิมอีกเหมือนกัน เขาก็ถามไล่ไปอีกว่าพบนี้เป็นของใครนะสถานที่เกิดนี้เป็นของใครพบนี้เป็นอย่างไร <c oughs> พระองค์ก็ตัดในลักษณะเดิมนะไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีของใครเป็นเพียง่าตตามธรรมชาติ <c oughs> ก็ตรัสถามและตอบอย่างนี้กันไปไนะล่ไปถึงอุปทานตัณหา เวทนาปัสสะนะสลายาัศนะไล่ขึ้นสายปฏิจจกไปเรื่อยถึงวิญญาณ น, นามรูปนะจนกระทั่งมา <c oughs> ถึงสังขารทั้งหลายนะ <c oughs> แล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัส บ, บอกว่า <c oughs> เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลาย และพระองค์ก็ตัดย้อนลงมาว่าดูก่อนพิกษุเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานน้นนั่นเองทิฏฐิทั้งหลายบรรดามี <c oughs> ไม่ว่าชนิดใดชนิดหนึ่งที่ดำเนินไปผิดทางอันบุคคลเสพผิดแล้วดิ้นรนไปผิดแล้วว่าชลามรณะเป็นอย่างไรและชลาโมรณะนี้เป็นของใครดังนี้ก็ดี หรือว่าชลามลนะเป็นอย่างอื่น <c oughs> และชลานาชรามลนะนี้เป็นของผู้อื่นดังนี้ก็ดีหรือว่าชีวะก็อันนั้นสลีละก็อันนั้นดังนี้ก็ดีหรือว่าชีวะก้อันอื่นสลีละก้อนอื่นดังนี้ก็ดีทิฏฐิทั้งหมดนั้นเป็นธรรมอันบุคคล น, นั้นละได้แล้ว มีรากเง่าอันเขาตัดขาดแล้วอันเขาทำให้เหมือนตาลมีขั้วยอดอันเน่าแล้วถึงซึ่งความมีไม่ได้แล้วทำให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไป <c oughs> นั้นถ้าเราสามารถดับอวิชชาคือความเข้าใจผิดได้ทิฏฐิทั้งหลายความเห็นทั้งหลาย ในบรรดาที่มีไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตามที่ดำเนินไปผิดทางเนีย่ยอันบุคคลเสพผิดดิ้นหลนไปผิดแล้วเนีย่ยทิฏฐิ Race, ทั้งหมดนั้นเนี่ยมันจะถูกโลไปหมดเลยนะ <Ki> นั้นก็คือดับอวิชชาให้ได้นะ <c oughs> <c oughs> ผู้เจ้าก็จะตรัส เรื่องของความดับอวิชชาดับอวิชชาดับอวิชชาทุกอันแล้วก็บอกว่าจะเข้าใจเลยว่าชรามรณะนี้เป็นของใครนะความเห็นนี้จะหมดไปชาติเป็นอย่างไรชาติเป็นของใครทิฏฐิเหล่านี้จะหมดไปภพอุปทานตัญหาเวทนาผัสสะสลายตรนะหนามรูปวิญญาณนะเนี่ยวิญญาณเป็นของใครวิญญาณเป็นอย่างไรนะไม่รู้จัก หมดไปจะหมดไปหมดเลยจะเห็นเพียงเป็นว่าถ้าตามธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นไม่ได้เห็นผิดไปจากอย่างนี้นะถ้าความเข้าใจผิดหมดไปและความเข้าใจผิดหมดไปได้เพราะอะไรอะไรเป็นเหตุให้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้น ก็คือความรู้อันใดในอริสัต4นอันนั้นแหละเรียกว่าผู้นั้นมีวิชาความไม่รู้อันใดในอริสัต4ี่ก็เรียกว่าผู้นั้นมีอวิชาคือความไม่รู้นั้นถ้าเราเห็นรู้จักตัวมันเห็นการเกิดเห็นการดับรู้จักวิธีดับนะ น, นั้นเรียกว่าเรามีปัญญามีวิชาแล้ว <c oughs> เห็นอริสัต4ี่ เห็นสัจจะคือความจริงของโลกอีกพระสูตรหนึ่งตรัสว่าตัดแกโลกายติกพรามที่เชตวัน โลกายติกะพรามได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญสิ่งทั้งปวงมีอยู่หรือหนอพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพรามคำกล่าวที่ยืนยันลงไปด้วยทิฏฐิว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่ดังนี้นี้เป็นลัทธิโลกายะตะชั้นสุดยอดเป็นสุดโตนข้างหนึ่ง ข้าแต่พระโคดุมผู้เจริญก็สิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่หรือหนาดูก่อนพรามคำกล่าวที่ยืนยันลงไปด้วยทิฏฐิว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่ดังนี้นี้เป็นลัทธิโลกายะตะอย่างที่สองเป็นสุดตรงอีกข้างหนึ่งสิ่งทั้งปวงมีกับสิ่งทั้งปวงไม่มีนะดูก่อนพรามนะ <c oughs> ครามตัดถามอีกว่าสิ่งทั้งปวงมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันหรือดูก่อนพราหมณ์คำกล่าวที่ยืนยันลงไปด้วยทิฏฐิว่าสิ่งทั้งปวงมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันดังนี้นี้เป็นลัทธิโลกายตะอย่างที่สามเขาถามต่อไปอีกก็ <Ground hog. S 2> สิ่งทั้งปวงมีสภาพต่างกันหรือดูก่อนพราหมณ์คำกล่าวที่ยืนยัน ล, ลงไปด้วยทิฏฐิว่าสิ่งทั้งปวงมีสภาพต่างกันดังนี้ นี้เป็นลัทธิโลกายตะอย่างที่4ดูก่อนพราหมณ์ต ถ, ถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นคือต ถ, ถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณไล่สายปฏิจจาวงรอบการเกิดนะจนกระทั่งจบแล้วก็ตัดสายวงรอบการดับ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 ความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่จะหมดไปถ้าบุคคลนั้นเนี่ยมาเห็นความดับเห็นความดับเห็นความดับความดับเรื่อยๆความที่ยึดว่าสิ่งทั้งปวงมีจะไม่มีและความเห็นที่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่เนี่ยก็จะหมดไปถ้าบุคคลนั้นมาเห็นลำดับเพจของการเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเห็นเกิดสมุทัยเกิดเกิดเกิดเรื่อยๆความเห็นสุดโต่งข้างว่าทุกอย่างขาดศูนย์หรือทุกอย่างไม่มีก็จะหมดไป ผูนะ้เจ้าจึงบอกว่าให้เธอเห็นสมุทัยคือเหตุเกิดเห็นนิโรธคือความดับอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ เ, เห็นการเกิดการดับทิฏฐิแบบผิดๆจะค่อยๆหมดไปนะ